พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ว่าอาตาหิอาตันโนาโทตนเป็นที่พึ่งของตนตนในที่นี้ก็หมายถึงใจใจเป็นที่พึ่งของใจเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นที่พึ่ง ของใจได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดมีการดับไปเสมอมีแต่ใจเพียงผู้เดียวที่ไม่มีการเกิดไม่มีการดับใจจึงต้องเป็นที่พึ่งของใจเท่านั้น เพราะเป็นสิ่งเดียวที่ใจจะสามารถพึ่งได้และใจก็มีสิ่งที่วิเศษที่สุดที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีได้ก็คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าปรมังสุขขังนี่เองอยู่ที่ใจแต่ใจไม่รู้ความจริงอันนี้ ใจถูกความหลงโมหะอวิชชาหลอกให้ไปหาความสุขภายนอกใจที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จเจริญแล้วก็เสื่อมไปแต่ก่อนที่ใจจะเป็นที่พึ่งของใจได้ ใจจำเป็นต้องนีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก่อนเพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะสามารถสอนใจให้พึ่งตนเองได้ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใจจะไม่มีวันรู้ว่าใจนี้เป็นที่พึ่งของใจใจก็จะหลง ไปกับการพึ่งสิ่งต่างๆภายนอกใจเช่นพึ่งร่างกายพึ่งตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสปทถพะชนิดต่างๆพึ่งลาบยศสรรเส ร, รสิญที่จะเป็นเครื่องมือในการแสวงหา รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจงเป็นทุกข์เพราะว่ามันมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมมีการดับไปเวลาเจริญก็เป็นเวลาที่มีความสุข พอเวลาที่เสื่อมก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเป็นธรรมชาติหรือเป็นสภาวะธรรมที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปควบคุมบังคับม่ให้เสื่อมได้มีพระพุทธจเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่มีพระปัญญาความรู้ความฉลาย ที่สามารถมองเห็นโทษของสีงต่างๆภายนอกใจได้จึงทำให้พระพุทธเจ้าต้องเสด็จออกจากพระราชวังตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเพราะในระยะนั้นพระองค์ก็ทรงใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นที่พึ่ง ใช้ลาบยศสรรเสริญเป็นที่พึ่งแต่พระ อ, องค์ทรงมีความฉลาดที่สามารถวิเคราะห์เห็นความไม่ถาวรของสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เช่นทรงเห็นว่าร่างกายจะต้องแก่ลงไปจะต้องเจ็บลงไปและต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องตายไปในที่สุด เวลาพบกับความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยพบกับความตายก็มีแต่ความทุกข์ใจหรือเวลาที่ต้องสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสผลทพาไปก็เป็นเวลาที่ทุกทรมานใจเศร้าโศกเสียใจเช่นเวลาเสียบุคคลที่เรารักไป เสียสิ่งที่เรารักไปเวลานั้นก็เป็นเวลาของความเศร้าโศกเสียใจผู้ที่มีสติปัญญาฉลาดแหลมคมอย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะจึงได้ข้อสรุปว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งของตนอย่างแท้จริงจึงต้องเสา ะ, ะแสวงหา ที่พึ่งอันใหม่ก็ทรงเห็นว่าการเป็นนัก บ, บวชนี้จะเป็นผู้ที่มีโอกาสค้นคว้าแสวงหาสัจธรรมความจริงของชีวิตได้พระองค์จึงทรงสละราชสมบัติสละการพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆภายนอกใจ แล้วหันกลับมาสร้างที่พึ่งสร้างสาระทางใจด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญสติสมาธิปัญญาจนในที่สุดก็ได้พบกับที่พึ่งที่แท้จริงก็คือพบกับความสุขที่ถาวรที่เรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนี่ นี่แหละคือที่พึ่งที่แท้จริงของใจอยู่ในใจใจจึงไม่ต้องพึ่งอะไรต่อไปหลังจากที่ได้พบกับที่พึ่งอันนี้แล้วหลังจากที่ได้พบกับพานิพกานแล้วที่มีอยู่ภายในใจของตนจึงรู้ว่าตนนี่แหละเป็นที่พึ่งของตนอัตาหิอัตนโนนาโธ นี่คือเป้าหมายของพุทธศาสนิกชนเป้าหมายของการศึกษาของการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนให้ได้ก่อนที่จะสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ก็ต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สอนวิธีสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตน เหมือนกับการสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยก่อนที่เราจะมีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยได้เราก็ต้องอาศัยผู้รับเหมาก่อสร้างจ้างเขามาให้เขาสร้างบ้านให้กับเราเพราะว่าเราสร้างเองไม่เป็นเราก็ต้องจ้างเขาหรือศึกษาจากเขาวิธีสร้างบ้านที่อยู่อาศัยของร่างกาย พอเขาสร้างเสร็จแล้วร่างกายก็มีที่พึ่งมีที่หลบแดดหลบฝนหลบภัยอันตรายต่ตางๆฉันใดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นเหมือนกับผู้รับเหมาก่อสร้างนี่เเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่จะสร้างพระนิพพานให้แก่ใจใจก็ต้องเข้าหาผู้รับเหมาก่อสร้าง แล้วก็ถามราคาค่างวดค่าก่อสร้างว่าจะต้องเสียเท่าไหร่ถึงจะได้บ้านหลังนี้บ้าน ท, ที่ที่เป็นที่พึ่งของใจนี้มาผู้รับเหมาก็จะบอกว่าก็ต้องสละสมบัติเข้าของเงินทองทั้งหมดที่มีอยู่สละลาบยศสรรเสริญสละรูปเสียงกลิ่นรสผดทพัก นี่คือค่าใช้ใจ่ายในการก่อสร้างที่พึ่งทางใจต้องสละลาบยศสรรเสริญสละรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะออกบวชถือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบศีลสามร้อยกว่านี่คือค่า ใช้ใจ่ายในการสร้างที่พึ่งทางใจนอกจากศีลแล้วก็ต้องสร้างสติขึ้นมาสร้างสติแล้วก็ต้องสร้างสมาธิขึ้นมาได้สมาธิแล้วก็ต้องสร้างปัญญาขึ้นมาถึงจะได้เรือนใจที่ถาวรที่เป็นที่พึ่งของใจได้ เหมือนกับการก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยก็ต้องมีการสร้างรากฐานรองรับตัวอาคารก่อนแล้วก็สร้างเสาขึ้นมาสร้างคาขึ้นมาสร้างหลังคาขึ้นมาสร้างพื้นสร้างฝาสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาตามลาดับการก่อสร้างบ้านเรือนเขาก็มีขั้นตอน การก่อสร้างเรือนใจสร้างพระนิพพานที่เป็นที่พึ่งของใจก็มีขั้นตอนเหมือนกันดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอยาว่างสิ่งแรกที่พทธเจ้าต้องกระทำก็คือต้องะละราชสมบัติละความสุขทางร่างกายไปเคยมีอะไรที่บำลุงบำเลอผ่านทางร่างกายนี้ตัดหมด รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะประาศาสสามฤดูนางสนมกำนันเครื่องบันเทิงต่างๆอาหารอันละเอียดละวิเศษพิสดารต่างๆการแสดงต่างทรงตัดหมดแล้วก็ทรงเสด็จออกจากพระราชวังไปประทับอยู่ในป่า ในสถานที่สงบสงัดห่างไกลาจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเพราะถ้าอยู่ใกล้แล้วจะถูกอิทธิพลของรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะฉุดกให้กลับเข้าไปพึ่งสิ่งเหล่านั้นอีกแต่ถ้าอยู่ห่างไกลก็จะไม่สามารถที่จะพึ่งได้ก็จะต้องหันเข้ามาพึ่งตนเอง นี่คือวิธีการที่จะสร้างเรือนใจในขั้นต้นก็คือต้องสละทุกสิ่งทุกอยา่างทางร่างกายไปหมดแล้วก็ต้องไปปรีกวิเวกไปอยู่ตามลำพังอยู่ที่สถานที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูกเสียงเกินลดพุทธะ อยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์ผู้ที่รู้จักวิธีสร้างเรือนใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ทรงศึกษากับพระอาจารย์หลายรูปด้วยกันที่ได้ทราบก็มีอยู่สองรูปที่สอนขั้นระดับฌานต่างๆแต่บ้านของครูบาอาจารย์ที่ทรงสอนให้พุทเจ้าสร้างนี้ ยังไม่เป็นบ้านที่ถาวรเป็นบ้านที่เสื่อมได้พังลงมาได้พระองค์จึงไม่พอใจกับผู้รับเหมาที่สร้างให้สร้างบ้านที่ไม่ถาวรให้สิ่งที่พระองค์ปรารถนาก็คืออยากได้บ้านที่ถาวรสร้างเสร็จแล้วไม่ต้องมาซ่อม ไม่ <PTSD> ต้องมาทำนุบำรุงดูแลรักษาสร้างเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดใหม่อย่างนั้นไปตลอดดีอย่างนั้นไปตลอดตั้งแต่วันที่เสร็จการต่อสร้างขึ้นมาเมื่อไม่สามารถหาผู้ที่จะสอนวิธีสร้างบ้านที่พระองค์ปรารถนาได้พระองค์ก็เลยต้องศึกษาวิธีสร้างบ้านด้วยพระองค์เองก็เลยทรง ทดลองทําผิดบ้างถูกบ้างแล้วในที่สุดก็ได้ทรงค้นพบวิธีที่จะสร้างบ้านที่ถาวร น, นี้ขึ้นมาก็คือวิคือการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนาภาวนานั่นเองก่อนที่พระองค์จะมาถึงขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญานี้พระองค์ก็ได้เรียนรู้ขั้น พัฒน ม, มะภาวนาจากครูบาจารย์ต่างๆจนสามารถเข้าฌานในระดับต่างๆได้นี่ฌานต่างๆนี้เรียกว่าเป็นขั้นสมาธิเป็นผลที่เกิดจากการเจริญสรร ม, มะภาวนาเช่นการเพ่งอารมณ์อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพ่งจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้จิตรวมเป็นหนึ่ง เช่นการบริกรรมพุทธโธพุทธโธหรือการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกในเวลาที่นั่งหรือเวลาที่ยังไม่ได้นั่งก็สามารถใช้อารมณ์อย่างอื่นสลับกันได้เช่นใช้พุทธโธบ้างก็ได้ใช้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายบ้างก็ได้ใช้อารมณ์ใดที่ทำให้จิตสงบ ไม่ฟุ้งร้างไม่ปรุงแต่งก็ใช้ได้แต่เวลามานั่งก็ต้องให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่กับพุทโธก็พุทโธไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ดูลมหายใจเข้าออกไปจนกว่าใจจะรวมเป็นหนึ่งเป็นสัตว์แต่ว่ารู้ตั้งอยู่ใน ความสงบปราศจากความคิดปรุงแต่งเป็นอุเบกขาถ้าเข้าได้ถึงจุดนั้นท่านก็เรียกว่าเป็นขั้นฌานที่สี่เป็นเป็นขั้นของรูปฌปานที่มีอยู่สี่ระดับคือรูปฌปานที่หนึ่งที่สองที่สามและที่สี่หลังจากนั้นถ้าจะ เพ่งให้จิตละเอียดกว่านั้นก็จะเข้าสู่ขั้นอรูปฌานซึ่งมีอยู่อีกสี่ขั้นจนถึงพอเลยขั้นอรูปฌานก็มีอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่านิโรธสมาบัติอันนั้นก็เป็นขั้นสงบที่ละเอียดที่สุดของจิตแต่ฌานเหล่านี้ขั้นฌานเหล่านี้ ไม่สามารถทำลายตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้คือกิเลสตัณหาเพียงแต่กดเอาไว้หรือยับยั้งการแสดงของกิเลสตัณหาไว้ชั่วคราวเวลาใดที่ออกมาจากฌานแล้วมาคิดปรุงแต่งถึงเรื่องต่างๆ กิเลสตัณหาที่ถูกกดดันไว้ก็จะออกมาแสดงตนได้ดังนั้นพระ อ, องค์จึงไม่พอใจไม่พอพระทยัยจากผลที่ได้รับจากการเจริญสมถะภาวนาเพราะทำให้พระ อ, องค์มีความสุขชั่วข่าวนั่นเองพอออกจากสมถะภาวนาพอมาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นคิดถึงร่างกาย พอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายที่จะตามมาความวิตกกังวลความทุกข์ความหวาดกลัวก็ยังมีอยู่ยังไม่หายไปหายไปเฉพาะตอนที่อยู่ในความสงุกอยู่ในฌานดังนั้นพระองค์จึงต้องรู้ว่ารู้ว่ายังสร้างบ้านไม่เสร็จสร้างที่พึ่ง ที่จะให้ความสุขไปอย่างเดียวอย่างถาวรนี้ยังสร้างไม่เสร็จสร้างได้แต่บ้านที่ให้ความสุขชั่วคราวดังนั้นพระองค์จึงต้องทดลองวิธีการต่างๆลองผิดลองถูกบ้างเช่นทดลองอดพระกายาหารถึงสี่สิบเก้าวันเพราะสงคิดว่าจะสามารถทำลาย กิเลสตัณหาให้หมดไปได้เพราะส่วนหนึ่งของกิเลสตัณหาก็คือความอยากรับประทานอาหารชนิดต่างๆอยากดื่มอยากรับประทานก็เลยทรงคิดว่าถ้าไม่ดื่มไม่รับประทานกิเลสตัณหาจะตายไปแต่มันก็ไม่ตาย จนในที่สุดก็ทรงรู้ว่าถ้าอดต่อไปกิเลสตัณหาไม่ตายแต่ร่างกายมันจะตายเมื่อร่างกายตายก็จะไม่สามารถที่จะฆ่ากิเลสตัณหาได้พระองค์จึงต้องสนต้องหยุดการอดพระกายอาหารจึงสร้างความไม่พอใจหรือสร้างความผิดหวังให้แก่ลูกศิษย์ พระปัญจวัคคีย์ที่คอยติดตามรับใช้เป็นเป็นลูกศิษย์หวังพึ่งพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้นำทางพาให้ไปสู่บ้านที่ถาวรที่แท้จริงพอพระปัญจะวัคคีย์เห็นว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ประสบกับความล้มเหลวกลัวตาย ไม่กล้าอดอาหารต่อไปกับทรงเสวพยพระกายอาหารพระปัญจวัคคีย์ก็เลยเสื่อมหมดศรัท ธ, ธาขอปีกลาจากพระพุทธเจ้าไปทรงปล่อยให้พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ตามลำพังจึงทำให้พระ อ, องค์มีความสงบสงัดวิเวกไม่ต้องมาคอยกังวลกับผู้คอยมาติดตาม ฟังข่าวว่าบรรลุหรืยอยังสำเร็จหรืยอยังจึงทำให้พระ อ, องค์ได้มีเวลาค่ายควรด้วยเหตุด้วยผลจึงทรงนึกถึงสมัยที่ทรงมีความสุขที่ได้รับจากการอยู่ในสมาธิว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริง เพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรให้ความสุขนี้อยู่ต่อไปอย่างท้าววร์พระองค์จึงทรงกลับมาบาเพ็ญจิตตภาวนาใหม่ทรงมาจเจริญสัมมถาภาวนาให้จิตรวมลงเป็นเอกคัตตารมเป็นอุเบกขาแล้วก็ทรงพิจารณาดูว่าเวลาที่ออกจากอุเบกขามานี้ มีอะไรที่จะมาทําลายความสุขที่ได้จากความสงบจากบุเบกขาก็ทรงเห็นว่าก็มีตัณหาเท่านั้นเองกิเลสตัณหาความโลภความโกรธที่เกิดจากความหลงที่ไปหลงเชื่อกิเลสตัณหาว่าทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้ได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้มา แล้วจะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาแต่พอไปทำแล้วก็ได้ความสุขเพียงชั่วคราวแล้วพอความสุขที่ได้มานั้นหมดไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความอยากที่จะได้ความสุขใหม่ดังนั้นจึงทรงเห็นว่าตัณหาความอยากนี้เองที่เป็นต้นเหตุที่มาทำลายความสุขที่ได้จาก ส ม, มถะภาวนาจึงใช้สติปัญญาไขาควรก็ทรงเห็นว่าการทำตามความอยากนี้จะไม่สามารถรักษาความสงบความสุขที่ได้จากความสงบมีแต่จะทําให้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จางหายไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา และสิ่งที่ได้มาก็ไม่สามารถที่จะให้ความสุขไปได้อย่างถาวรเพราะสิ่งต่างๆนั้นก็เป็นอันนิจจ์คือไม่เที่ยงไม่เหมือนเดิมไม่คงเส้นคงวามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมมีการดับไปเป็นสิ่งที่ห้ามเขาไม่ได้ ถ้าไม่ให้เขาเสื่อมไม่ได้ถ้าไม่ให้เขาเจริญไม่ได้เขามีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาเจริญทำให้เขาเสื่อมไปพอไปยึดไปติดไปพึ่งเขาพอเขาเสื่อมไปก็กลายเป็นไม่มีที่พึ่งไปพอไม่มีที่พึ่งก็มีความทุกข์ตามมาดัางนั้นจึงทรงสรุปว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ ไม่ใช่เป็นที่พึ่งของใจเพราะไม่สามารถให้ความสุขอย่างถาวรไปตลอดได้เป็นความสุขชั่วคราวที่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆ เ, เช่นความสุขที่ได้ผ่านทางตาหูจมูกนิ้งกายต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆต้องคอยดูต้องคอยฟังต้องคอยดื่มต้องคอยรับประทานอยู่เรื่อยๆ เวลาใดที่ขาดและต้องการจะเติมแล้วไม่ได้เติมเวลานั้นก็เกิดความหงุดหงยดดมคาลใจเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจขึ้นมาเพราะว่าใจไม่พึ่งตนเองนั่นเองใจไปพึ่งสิ่งต่างๆภายนอกใจด้วยอํานาจของโมหะความหลงจึงต้องเจริญวิปัสสนาปัญญา ให้เห็นโทษของความหลงให้เห็นโทษของสิ่งที่ไปยึดไปติดไปอยากให้เห็นโทษของความอยากพอเห็นแล้วก็จะได้หยุดหยุดความอยากได้หยุดพึ่งสิ่งต่างๆได้หันกลับมาพึ่งความสงบเพียงอย่างเดียวกลับมาทำสมถะภาวนาทำใจให้สงบ พอใจสงบแล้วก็สบายพอเกิดความอยากก็รู้แล้วว่าต้องฝืนต้องสู้ต้องไม่ทำตามพอฝืนได้สู้ได้พอความอยากสงบตัวลงไปความสงบก็กลับคืนมาใหม่นี่ถึงทำให้พระองค์ทรงได้ตัดสู้พระนิพพานขึ้นมา ตัจะรู้พระอาริยสัจ ส, สี่อันนี้พระพระอาริยสัจ ส, สี่ก็คือทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยนีโรธมักหนความสัจจะทำความจริงสี่ข้อที่มีแสดงอยู่ในใจตลอดเวลาเวลาใดที่มีความทุกข์ก็รู้ว่าเกิดจากตัณหาความอยากเป็นต้นเหตุสมุทัยก็คือต้นเหตุสมุทัย ต้นเหตุของความทุกข์ใจก็มีอยู่สามคือกามรตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาเวลาไม่สบายใจลองถามตัวเองดูมันเกิดจากความอยากในใจนี้หละมันไม่ได้เกิดจากใครเลยไม่ได้เกิดจากฝนฟ้าอากาศไม่ได้เกิดจากร่างกายไม่ได้เกิดจากคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เกิดจากความอยาก ให้ฝนฟ้าอากาศเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้คนนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองถ้าไม่มีความอยากแล้วฝนฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไรร่างกายจะเป็นอย่างไรสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นสิ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจนี่คือสัจธรรมสองข้อแรกที่เรียกว่า ข้อคู่คคู่ที่สร้างความทุกข์กันขึ้นมา ы. ก็คือความอยากกามตัญหาภาวตัญหาและวิภาวะตัญหาถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องมาดับที่สมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์ก็คือกามตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาจะดับตัญหาทั้งสามนี้ได้อย่างไร ก็ต้องดับด้วยปัญญานี่ปัญญาที่วิเคราะห์แยกแยะให้เห็นว่าเวลาเกิดปัญหาแล้วใจก็เพิ่มใจไม่สงบใจวุ่นวายใจกระสับกระส่ายกะวนกะวายแล้วอะไรทำให้ใจเกิดความอยากก็ความหลงที่ไม่เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้นี้มันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์ มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจงมันเป็นอนัตตาไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้สั่งให้มันให้ความสุขไปตลอดไม่ได้นี่คือปัญญาต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นอนิจจงเป็นอนัตตาไม่เที่ยงไปสั่งเขาไม่ได้แล้วพอไปอยากให้เขาเที่ยง อยากให้เขาอยู่ภายใต้คำสั่งพอเขาไม่ทำตามก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่เกิดความอยากให้เขาเที่ยงอยากให้เขาเป็นไปตามคำสั่งเขาจะไม่เที่ยงเขาจะไม่ทำตามคำสั่งก็ไม่เดือดร้อนอะไรรู้ว่าที่ความเดือดร้อนใจทุกข์ใจก็เพราะความอยากให้เขาเป็นตามที่เราอยาก แต่เขาไม่เป็นตามที่เราอยากนั่นเองถ้าแมา่ไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากหยุดความอยากกับฝนฟ้าอากาศหยุดความอยากกับร่างกายหยุดความอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ปล่อยเขาให้เขาเป็นไปาตามอานิจจังของเขาอนัตตาของเขาพอเราปล่อยเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขา เปลี่ยนไปเราก็ไม่เดือดร้อนเขาเสื่อมไปเราก็ไม่เดือดร้อนเขาดับไปเราก็ไม่เดือดร้อนนี่ก็ปรากฏเรียกว่านิโรธขึ้นมานิโรธนี่แหละก็คือนิพพานนี้เองคือการดับทุกข์ดับกิเลสดับตัณหาพอกิเลสดับไปทุกข์ดับไปก็ปรากฏนิโรธขึ้นมา นิรโทก็คือการไม่มีความทุกข์หรือถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือเมื่อไม่มีความทุกข์มันก็มีความสุขความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังถ้าทำลายความอยากต่างๆได้หมดนะถ้ายังทำลายไม่ได้หมดก็ยังไม่เป็นปรมังสุขขังก็เป็นสุขตามขั้นของมรรคของผล สุขขั้นพระโสดาบันก็สุ ข, สขอยู่ส่วนหนึ่งยังไม่เต็มที่ถ้าเป็นพระจันทร์ก็ยังไมยง่ยังไม่เต็มดวงยังไม่สว่างเต็มดวงยังเป็นพระจันทร์เจ็ดค่ำอยู่เจ็ดค่ำขึ้นเจ็ดค่ำก็จะเห็นพระจันทร์อยู่เซลหนึ่งพอเพิ่มขึ้นมาก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนกว่าจะถึงสิบห้าค่ำ พอถึงสิบห้าข้มก็จะเป็นพระจันทร์เต็มดวงความสุขเต็มหัวใจตามกำลังของสติปัญญาที่จะกำจัดตัณหาความอยากทั้งสารนี้ให้หมดไปพอตัณหาหมดไปไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจความสุขก็เต็มเปี่ยมภายในหัวใจขึ้นมาถ้าตัณหายังเหลืออยู่เครื่องหนึ่ง ความสุขภายในใจก็จะมีอยู่เพียงเครื่องเดียวในการบรรลุมรรคผลนิพพานจึงเป็นขั้นไปขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกิดาคามีขั้นพระอนาคามีขั้นพระอาหารหันเพิ่มไปเรื่อยแต่ละขั้นไปจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอาหารหันพอได้เป็นพระอาหารหันแล้วก็จะได้ พระนิพพานได้ความสุขเต็มดวงแล้วก็จะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีหมดไปไม่ว่าจะอยู่ในขั้นใดก็ตามความสุขขั้นของพระโสดาบันก็จะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปตามของนั้นของขั้นนั้นมีแต่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีการปฏิบัติจเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาสลับกันไป การเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่แหละเป็นวิธีเจริญมรรคเจริญผลให้ก้าวขึ้นไปเป็นขั้นขั้นจากขั้นโสดาบันก็ขึ้นสู่ขั้นสกิดาคามีจากขั้นสกิดาคามีก็ขึ้นสู่ขั้นอนาคามีจากขั้นอนาคามีก็จะขึ้นสู่ขั้นอาระหรังพอถึงขั้นอารหัรแล้วก็ ตันหาก็ไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจถ้าเป็นคนไข้ก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะเชื้อโรคนั้นได้ถูกทำลายไปจนหมดสิ้นไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในร่างกายเลยยาที่ทำลายเชื้อโรคก็คือพุทธังธรรมังสังขังสราณังกัชฉามีนี้เองพอได้ถึงขั้น ปรมังสุขขังถึงขั้นพรนิพพานแล้วใจก็จะกลายเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถขึ้นมาตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วทีนี้ไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเพราะได้ทาตนเองให้เป็นที่พึ่งของตนได้แล้วแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นถึงไม่จะอยู่ขั้นที่สามขั้นอนาคามี ก็ยังต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปจนกว่าจะไปถึงขั้นสุดท้ายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มาอยู่ในหลายรูปแบบด้วยกันเช่นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ก็ต้องพึ่งพระธรรมคำสอนที่ได้มีการจารึกเอาไว้หรือต้องพึ่งพระอริยสงสาวกคือพระอรหันตสาวกให้เป็นผู้ที่ชี้บอกวิธี สร้างที่พึ่งต่อไปจนกว่าจะสําเร็จดังนั้นถ้าเรายังไม่ได้เป็นที่พึ่งของตนเรายังต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ต่อไปเหมือนกับถ้าเรายังไม่ถึงฟากเรานั่งเรือข้ามฟากเรายังต้องพึ่งเรืออยู่อย่ากระโดดล ง, งจากเรือเดี๋ยวจะจมน้ําตายหรือถ้า ไหว้ไปมันก็จะช้าจะเหนื่อยกว่าการที่มีที่พึ่งการปฏิบัติถ้ามีครูบาอาจารย์คอยที่บอกตลอดระยะทุกขั้นตอนการเจริญก้าวหน้าก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับนั่งอยู่ในเรือต่างกับการไหว้น้ำด้วยตนเองซู่นั่งอยู่ในเรือไม่ได้มีคนพายให้ด้วยมีครูบาอาจารย์คอยพายให้ แต่นั่งอยู่ในเรือปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในกรอบของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราหมั่นเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องหมั่นเจริญสมถะภาวนาให้จิตสงบพอจิตสงบแล้วออกจากความสงบก็ให้เจริญวิปัสสนาให้พิจารณาใจรักอยู่เรื่อย จนเห็นอย่างแจ่มแจ้งภายในหัวใจว่าปัญหาทั้งหมดคือความทุกข์ทั้งหมดของใจนี้เกิดจากความอยากของใจเองเพราะมองไม่เห็นตลายลักนั่นเองจึงต้องพยายามสอนใจให้มองให้เห็นปรายักในทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจหลงไปคิดว่าเป็นที่พึ่งของใจเช่นถ้าไปคิดว่ามีสามีมีภรรยาแล้วจะเป็น มีที่เพิ่มนี้ก็ต้องรีบมองให้เห็นเขาว่าเป็นตายรักให้ได้ถ้าไม่เห็นเขาเป็นตายรักเห็นเขาเป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็จะติด ก, กับของกิเลสตัณหาติด ก, กับของกองทุกข์จะต้องแต่งงานกันอย่างแน่นอนแต่งแล้วก็มาล่อ ง, องห่มร้องไห้กลับไปหาพ่อหาแม่แต่กันไม่กี่วันก็โทรหาแม่หาพ่อ เอ๊ะทำไมเขาไม่เป็นเหมือนเมื่อกี้ตอนที่ยังไม่แต่งเขาดีเหลือเกินทำไมตอนนี้เขากลายเป็นอีกคนนึงพัชราอ่เาเเพราะว่าเขาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงนั่นเองนี่ไม่ยอมพิจารณาก่อนแต่งถ้าพิจารณาก่อนแต่งแล้วก็จะไม่มีวันที่อยากจะแต่งถ้าไม่พิจารณาอนิจจังทุกขังวนัตตาก็ต้องพิจารณาสุภาษิเขาสวยจริงหรือเปล่ปาเขาหล่อจริงหรือเปล่ปา เมื่อก겉หลอดแต่ภายนอกข้างในเป็นเหมือนกองขยะไม่เปิดดูข้างในบ้างอ่าภายใต้ผิวหนังของเขามีอะไรอยู่หนอไม่เคยสนใจดูเลยเหอ้อคนเราว่าเขามีคุณสมบัติอะไรอย่างไรมองแต่ข้างนอกเพียงอย่างเดียวนี่แหละการไม่มีปัญญาจะเป็นอย่างนี้ถ้าผู้มีปัญญาแล้วรับรองได้ว่า จะไม่ตกหลุมพรางของกามาตัณหาอย่างแน่นอนถ้าได้พิจารณาอนิจจ์ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนหรือพิจารณาอสุภาความไม่สวยไม่งามของร่างกายเห็นอวัยวะต่างๆที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นเห็นโครงกระดูกเห็นปอดหัวใจเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้ อย่างนี้จะมีความอยากที่จะอยู่กับเขาหรือเปล่าอยากจะได้เขามาเป็นคู่ครองหรือเปล่านี่ทั้งโลกมองไม่เห็นกันโลกทั้งโลกนี้มืดบอดมองไม่เห็นอสุภะกันจึงมีงานแต่งงานกันอยู่ทุกวั น, นถ้าทุกคนเกิดมาพ่อแม่สอนตั้งแต่เด็กว่าหนูดูอาการสามทุกสองอยู่เรื่อยๆนะหนู ค่านบองได้ว่าต่อไปไม่มีงานแต่งงานต่อไปจะได้ไม่มีมนุษย์หลงเหลืออยู่ในโลกนี้ไปนิพพานกันหมดนี่แหละเพราะไม่มีปัญญาไม่เจริญวิปัสสนาปัญญาไม่มีใครจะรู้ความจริงอันนี้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวสมัยที่ทรงศึกษาอยู่ทุกคนก็รู้แต่ขั้นสมมตภาวนา รู้จักวิธีทําใจให้สงบแต่ไม่เคยรู้จักวิธีพิจารณาอนิจจังทุกขงังวัณตาไม่รู้จักวิธีพิจารณาอาสุภะกันแม้แต่ฤาษีผู้ที่ได้ฌานได้อิทธิฤทธิก็ไม่พิจารณาอาสุภะนางที่มีนิทานอยู่ในพระไตรปิฎกที่มีฤาษีอยู่รูปหนึ่งที่มีความสามารถเถอะเหินเดินอากาศได้ เป็นเป็นที่โปรดของพระเจ้าแผ่นดินเวลาจะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินท่านจะเหะเข้าไปในวังวันหนึ่งท่านเหาะเข้าไปในวังผ่านห้องพระมเหสีกําลังเปลืองกายอยู่ก็เกิดการอารมณ์มขึ้นมาเพราะไม่เคยจเจรณาสุภาก็เลยหักห้ามจิตใจไม่ได้ต้องไปมีความสัมพันธ์กับพระมเหสี นในที่สุดก็เสื่อมดิดเสื่อมกำลังลงไปเหาะเข้าบังเข้าไปในวังไม่ไหวแนละ้วเพราะหมดกำลังของสมถะถูกอำนาจของการอารมณ์มาขย่าวมาทำลายจนหายไปหมดพระราชาทราบเข้าภายหลังก็เกิดความเสียพระไทยแต่เนื่องจากเคยเคารพนับถือจึงทรงอภัยอโทษให้ แต่นี่แหละก็ทำให้ผู้ที่มีฤทธิ์มีอำนาจมีความสามารถทางจิตใจเสื่อมถูกทำลายลงไปด้วยอำนาจของความหลงที่ไม่พิจารณาอสุภะกันเหตุที่พระบางลูกที่ท่านบวชได้ต้องหลายสิบปีแล้วก็ลาสิกขาไปแต่งงานกับศีกาก็แบบเดียวกัน ว่ไม่เห็นอสุภะนี้เวลาเกิดการมลลมแล้วไม่มีน้ำมาดับไฟของการมลลมการมลลมนี่เหมือนไฟที่เผาใจทำให้ใจกวนกวายกระสับกระสายร้อนรนอยู่ไม่ได้ต้องไปทำตามความอยากแต่ถ้ามีน้ำดับไฟคืออสุภะถ้าพิจารณาป๊บเดียวมันก็จะหายไป ดังนั้นถ้าอยากจะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจจำเป็นต้องหมั่นเจริญปัลักอยู่เรื่อยๆหมั่นเจริญอสุภะอยู่เรื่อยๆหมั่นเจริญธาตุสี่อยู่เรื่อย ๆ, เ, อย เ, อยๆเพื่อให้เห็นว่าร่างกายของตนนี้ไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มารวมกันเป็นอาการสามสิบสอง แล้วก็จะต้องแยกทางกันกลับคืนสู่ทาบเดิมไปในที่สุดเช่นเราพิจารณาคนตายในสมัยก่อนเขาไม่มีการชาปน ก, กิจตายแล้วก็ทิ้งไปทิ้งไว้ในป่าชา้าจะไปพิจารณาดูก็จะเห็นการแยกของทาา ต, ต่างๆเวลาร่างกายตายปับ๊บทา่าลมก็ไม่เข้าแล้ว มีแต่ออกและเหยออกมาเป็นกลิ่นธาตุไฟก็หายไปจากร่างกายที่อบอุ่นพอไปแตะต้องของร่างกายที่ตายไปก็เป็นร่างกายที่เย็นเฉียบแล้วต่อมาน้ําต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายก็จะไหลออกมานทิ้งไปนานๆเข้าร่างกายก็จะแห้งกรอบหนังก็จะแห้งเลือ แต่กระดูกหนังหรืออวัยวะต่างๆก็จะเปื่อยจะผุไปกลายเป็นดินไปแม้แต่กระดูกถ้าทิ้งไว้นานๆเข้าก็จะเปื่อยก็จะกลายเป็นดินไปในที่สุดนี่คือการพิจารณาเพื่อรักความหลงในการเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเราเป็นเพียงผู้มาอาศัยร่างกายนี้ ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเพื่อตอบส่อนาตันหาความอยากของเราเท่านั้นเองเหตุที่เราต้องมาเกิดก็เพราะตันหาความอยากทางร่างกายนี้ทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราตัดความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิด eden. เช่นพระอนาคามีนี้ท่านพิจารณาเห็นร่างกาย เป็นสุภาษเห็นว่าเป็นดินน้ํำลมไฟตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นมาขั้นพระโสดาบันนี้จะพิจารณาเห็นว่าเป็นเพียงดินน้ํำลมไฟณสัจ ก, กายทิฏฐิได้เห็นว่าความเจ็บของร่างกายก็เป็นเป็นความเจ็บของร่างกายไม่ใช่เป็นความเจ็บของใจใจไม่ได้เจ็บไปกับร่างกาย เพงแต่ใจเจ็บเพราะว่าใจไม่อยากจะให้ร่างกายเจ็บเท่านั้นเองพอรู้ความจริงก็หยุดความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บหยุดไม่ให้ร่างกายตายใจก็จะไม่เจ็บก็จะได้ไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวตนแต่เรื่องที่ยังชอบร่างกายของผู้อื่นอยู่ยังอยากเสรการร่วมกับผู้อื่นอยู่ ก็ต้องใช้การพิจารณาด้วยอสุภะพิจารณาอาสุภะถึงจะสามารถทำลายกามารมณ์ความอยากที่จะเสพกาม ร, ร่วมกับผู้อื่นได้ในเวลาพิจารณาสุภะจึงต้องพิจารณาบุคคลที่เรามีความรักใคร่อยากจะร่วมหลับนอนกับเขาไม่ใช่มาพิจารณาสุภะในตัวเรามันไม่ใช่เราต้องเห็นอสุภะในตัวเขาเราถึงจะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมา ไม่ใช่เห็นอนะสุภาพในตัวเราแต่พอเห็นเขาเห็นเขารูปหล่อสวยงามนี้มันก็ดับการมารมไม่ได้เพราะงั้นการพิจารณาสุภาพเพื่อดับการมารมนี้ต้องพิจารณาที่ร่างกายของผู้ที่เรามีความรักใคร่มีความอยากที่จะเสพการมารมกับเขาถึงจะละการมารมได้พอไม่มีการมารมก็ไม่มีความอยาก ไม่มีความต้องการที่จะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพระอนาคามีท่านจึงไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปส่วนพระสกิทาคามีพระโสดาบันนี้ท่านยังมีกามอารมณ์อยู่ท่านยังอยากเสพกามอยู่ท่านยังต้องกลับมาเกิดอีกแต่ไม่มากไม่ไม่ไม่นานอย่างมากก็เจ็ดชาสำหรับพระโสดาบันพอเจ็ดชาแล้วนะท่านก็จะบรรลุ ขั้นพระอนาคามีได้หรือขั้นพระอรหันเลยก็ได้เพราะท่านจะเริ่มเห็นโทษของการเตะการมลลมนี้เองแล้วท่านก็จะหาวิธีดับมันก็จะพบว่าวิธีที่จะดับการมลลมได้ก็คือการพิจารณาอสุภะนี่เองสำหรับพระสกิทากรมีก็ได้พิจารณาและเริ่มพิจารณาแล้วแล้วก็สามารถทําการมลลมให้ ดับไปได้บางส่วนเบาบางลงไปพบชาติของท่านเจิงเหลือแค่ชาติเดียวเหมือนเป็ น, นถ้าเป็นนักศึกษาก็ปีสามแล้วเรียนอีกปีเดียวก็ได้ปริญญาแล้วส่วนพระโสดาบันนี้ก็เหมือนนักศึกษาปีแรกยังต้องเรียนอีกสามปีถึงจะได้ปริญญาพระโสดาบันถ้าเรียนแบบธรรมดาไม่รีบไปร้อน ไปตามขั้นตอนก็เจ็ดชาติเป็นอย่างมากแต่ถ้ารีบร้อนก็ภายในชาติเดียวกันหรือภายในวันเดียวกันก็ได้บางท่านบรรลุสี่ขั้นภายในระยะเวลาใกล้เคียงกันอย่างพระปัญจวัคคีย์นี้ท่านก็บรรลุในเวลาใกล้เคียงกันไม่กี่วันวันแรกก็บรรลุคนหนึ่งก่อนบรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนคือพระอัญญาณโกนทัญญะ แล้วต่อมาก็บรรลุตามกันมาแล้วก็บรรลุพระอหรหันต์พร้อมกันเวลาที่พุทธเจ้าทรงแสดงพระอนัตตลักษณสูตรที่ทรงแสดงว่าสัพเพ ธ, ธ ร, รมมาอนัตตาก็ได้บรรลุเป็นพระอหรหันต์พร้อมๆกันภายในเวลาไม่กี่วันจากขั้นพระโสดาบันขึ้นมาแต่บางท่านก็ใช้เวลานาน อย่างพระ อ, อ น, อ น, นุนี้ท่านก็เป็นพระโสดาบันแต่ท่านไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องท่านมารับใช้พระพุทธเจ้าอุ ป, ปถัมภะพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้มีเวลาออกไปเจริญอสุภะก็เลยติดอยู่ข้างพระโสดาบันไปจนถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าจเสด็ดดับขันธ์ประอรนิพานไปจึงมีเวลาได้ออกไปปริกวิเวกได้ออกไปบําเพ็ญต่อ ได้ไปเจริญอสุภกรรมฐานได้เจริญทำต่างๆที่จำเป็นต่อการดุดพ้นก็สามารถบรรลุได้ภายในระยะเวลาสเดือนต่อมานี่คือเรื่องของการบรรลุของแต่ละบุคคลมีเหตุมีปัจจัยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันการบรรลุของแต่ละบุคคลจึงไม่เหมือนกันบางท่านก็เร็วบางท่านก็ช้า บางท่านก็ง่ายบางท่านก็ยากแต่ไม่ว่าจะเร็วหรือช้ า, ายากหรือง่ายเวลาบรรลุแล้วก็ถือว่าเท่ากันผลที่ได้รับก็เท่ากันเหมือนกับการได้รับปริญญาจะรับปีนี้แล้วรับปีหน้าหรืออีกสิปีข้างหน้ามันก็เท่ากันสามารถเอาไปใช้เป็นวุฒิสมัครงานได้รับราชการได้เหมือนกัน นี่คือเรื่องของการสร้างตนเป็นที่พึ่งของตนด้วยการพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเพราะว่า ต, ต, ต, ตนยังไม่เป็นสามารถเป็นที่พึ่งของตนได้นั่นเองจึงต้องอาศัยผู้ที่เป็นที่พึ่งแล้วให้เป็นผู้สอนพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งให้กับเราไปตลอดไม่ได้พระธรรมเป็นให้เราไปตลอดไม่ได้เพราะท่านก็อยู่ในสภาพของอนิจจังเหมือนกัน คือร่างกายของท่านก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ธรรมธรรมะคำสอนของท่านนี้ไม่เป็นอนิจจ์ถ้าเราน้อมเอาเข้ามาสู่ใจของเราได้แนละ้วก็จะอยู่ในใจของเราไปตลอดที่เรียกว่าอาการิโกนีรร่ยนะทำมาทำมาเป็นอาการวิโกเนี่ยมันอยู่ในถ้าเราเอาเข้ามาในใจแล้วมันจะเป็นอาการิโกถ้าอยู่ข้างนอกมันยังเป็นเป็นอนิจจ์อยู่ เพะลืมได้ฟังเทศฟังธรรมอันนี้แล้วไม่เอามาใส่ใจไม่เอามาพิจารณาไม่เอามาปฏิบัติจนปรากฏเป็นธรรมขึ้นมาภายในใจพอออกไปจากที่นี่ไปทําภา ร, รกิจอย่างอื่นเดี๋ยวก็ลืมไปหมดแล้ว mm. ธรรมนี้หายไปแล้วยังต้องคอยฟังอยู่เรื่อยๆฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ไม่หลงไม่ลืมเพื่อที่จะได้เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเอาไปปฏิบัติ เอาไปแปลงจากทำข้างนอกให้มาเป็นทำข้างในทำข้างนอกนี้จะมาเป็นทำข้างในได้ต้องเกิดจากการปฏิบัตินก็จ า, กการปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างที่พวกเราทั้งหลายกําลังมาปฏิบัติกันถ้าเรามีการปฏิบัติอย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องและสมะและปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เต็มร้อยผลก็จะต้องปรากฏขึ้นมาเต็มร้อยอย่างแน่นอน ทักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วตราบใดที่เรายังมีศรัทธามีความเชื่อตราบใดที่เรายังมีฉันทะวิรยิยะจิตตะวิมังสาต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติอยู่มากผลนิพานนี้จะไม่อยู่ห่างไกลาจากเราดัางนั้นขอให้พวกเราจงพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็เพิ่มปริมาณของการปฏิบัติ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการละการทาภารกิจอย่างอื่นให้น้อยลงไปจนให้หมดไปเลยเพราะภารกิจต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถสร้างที่พึ่งให้กับเราได้ต้องเป็นภารกิจทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นคือภารกิจของการทําทานรักษาศีลและภาวนานี้เองการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอนยะทาวาริวะหาปุราปาลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกาปปติอิชิตังคติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปันาระโสยถามณิโจติระโสยถาสพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภาอภิวาทนสีริจามิจังวุทธาปจายโน ยะตาโรธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมะขอกรุณาถ้าใครอยากจะถามก็มาถามที่ไมโครโฟน เพื่อประโยชน์ของผู um ้ที่กำลังนั่งฟังอยู่จะได้รับประโยชน์ร่วมกันขอกรุณาอย่ามาถามตอนที่ปิดหม่แล้วได้ยครับคือตอนที่เรารับพยายามรักษาสี่ห้าครับถ้าปวดปกติเรารักษาได้แต่พอมันมีเหตุการณ์เช่นรถชนอะไรอย่างเงี้ยสติเราก็จะหลุดไปสี่ห้าเราตอนนั้นเราคิดว่าสติเราคุมสี่ห้าแล้ไม่อยู่แล้วหละตอนนั้นแต่พอทักทัก พอลมเย็นๆมันก็มันก็จะสงบลงผมพยายามคิดว่าจะอะไรที่จะทำให้เร า, รวาควบคุมสีห้าให้ปกติสุขได้ตลอดเวลานะครับก็ต้องมีเฮริโอตปะฮิริแปลว่าความอายในการกระทำบาปโอตปะคือความกลัวผลของบาปที่จะเกิดขึ้นถ้าเราศึกษาพิจารณา ให้เกิดฮิริโอตปาดขึ้นมาเราก็จะไม่กล้าทําบาปเช่นถ้าเราเชื่อตามที่พระเจ้าทรงตรัสสอนว่าผู้ที่ทําบาปนี้จะต้องไปอบายถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ไปตกนรกทุกครั้งที่เราจะทําบาปนี้เราจะกลัวแล้วเราก็จะไม่กล้าทําทุกวันนี้คนกล้าทําบาปแต่กลัวรับผลกัน พอทำแล้วก็จะมาถวายสังฆทานอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรก็<笑><笑>บอกว่าทำไม่ได้วิธไีไม่ทำให้มีเจ้ากรรมในเวรก็คือการไม่ทำบาปนี่เองการกระทำบาปนี่แหละเป็นการสร้างเจ้ากรรมในเวนขึ้นมาถ้าเราไม่ต้องการมีเจ้ากรรมในเวนก็อย่าทำบาปให้คิดอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะไม่กล้าทาบาป เวลาที่เรารักษาศีลไม่ได้เขาแสดงว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่เราสอบตกปกติเรารักษาศีลนี่มันยังไม่ได้ถือว่ารักษาจริงเพราะยังไม่มีอะไรมาทดสอบใจเราพอมีอะไรมาทดสอบใจเราเช่นมาล่อมาหลอกให้เราโกงอย่างนี้ตอนนั้นเราจะรักษาศีลได้หรือเปล่าเช่นเขาเอาเงินมาล่อให้เราทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง ตอนนั้นน่ะถึงจะรู้ว่าเรามีศีลหรือไม่มีศีลถ้ายังไม่ถึงเวลานั้นเราก็พยายามเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆให้ให้เกิดเทริเกิดโอตปะขึ้นมาให้เกิดมีความรักศักดิ์ศรีในการมีศีลมีสัตรว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าคนเราเนี่ยคุณค่าก็อยู่ที่ศีลนี่ไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนังมังสาไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตา แต่อยู่ที่การมีมศีลมีสัตว์หรือไม่ถ้าเป็นผู้มีมศีลมีสัตว์นี่เป็นคนมีเกียรติจะให้ใครเขายกย่องหรือไม่ยกย่องก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะในใจเราเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราเป็นอะไรถ้าเราไม่มีมศีลมีสัตว์แล้วเขาให้ดังวีรางวัลให้ตําแหน่งให้อะไรมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าเราได้รับจริงๆเพราะความจริงเรารู้ว่าเราไม่มี ดังนั้นขอให้เราใช้ความคิดใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยๆถึงประโยชน์ของการรักษาศีลและโทษของการไม่รักษาศีลช่างน้ําหนักเอาว่าอันไหนจะสําคัญกว่ากันพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้สารซั์เพื่อรักษาศีลเช่นเวลาใครก็มาล่อเอาเงินเอาทองมาล่อให้เราทำบาปไม่รักษาศีลก็ ให้ยอมสละทรัพย์นั้นไปอย่าไปโลภได้ทรัพย์นั้นศินมีคนณค่ากว่าเพราะเวลาตายไปเราไม่ต้องไปอบายถ้าเราได้ทรัพย์มาด้วยการกระทำบาปตายไปเราต้องไปอบายต้องไปเป็นเดรัจฉานต้องไปตกนรกอย่างนี้มันได้ไม่คุ้มเสียให้คิดอย่างนี้แล้เราก็จะได้ไม่กล้าทำบาปมีข้อหนึ่งไหม มข้อเดียวครับให้คนอื่นมีคนจะถามเมื่อกี้คือในใ น, ในขณะที่ที่ปฏิบัตินะครับแล้วลมหายใจหายไปจากที่เราเฝ้าเฝ้าดักลมเข้าดับลมออกเนี่ยแล้วถึงจังหวะหนึ่งลมหายใจหายไปเลยครับ หายไปได้สักระยะหนึ่งแล้วในท้ายที่สุดลมก็มาอีกลมก็มาอีกที่พระอาจารย์บอกว่าไม่ไม่ต้องกลัวว่าว่าจะตายผมก็พยายามหยุดหายใจเพื่อเพื่อทดสอบดูว่าเมื่อหยุดหายใจแล้วจะมีภาวะไหนปรากฏว่าในขณะที่เราหยุดหายใจเนี่ยมันเหมือนกับเราได้ไปกั้นหายใจไว้ในท้ายที่สุดเนี่ยลมหายใจก็จะกลับมามันนึกถึงลมหายใจ แต่ผมเลยอยากจะถามว่าสภาวะเนี้ยจะเป็นอยู่นานหรือไม่กว่าที่จะสมาธิเราจะลงลึกไปถึงขั้นอัปปนาเนี่ยจนกระทั่งถืออุเบกขาสัต์แต่ว่ารู้เนี่ยขั้นอัปปนาเนี่ยคือขั้นที่ลมหายใจหายไปโดยที่ลมหายใจไม่กลับมาใช่ไหมครับคือเรื่องของลมหายใจนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับจิตใจของเราไม่ได้เกี่ยวกับการภาวนา เราเพียงใช้ลมหายใจเป็นที่ยึดใจเป็นที่ยึดของใจไว้เพื่อใจจะได้ไม่ไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราเฝ้าดูลมไปไม่ต้องไปควบคุมลมไม่ต้องไปบังคับลมเพียงแต่ใช้ลมเป็นที่เกาะเพื่อที่เราจะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปใจก็จะสงบลงไปตามลำดำับเพราะความคิดปรุงแต่งจะน้อยลงไป พอใจละเอียดลงไปความคิดปรุงแต่งน้อยลงไปลมก็จะรู้สึกละเอียดตามไปแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าหายไปการภาวนาของเราก็ให้ใช้หลักเดิมก็คือให้มีสติดูลมต่อไปถ้าดูว่าตอนนี้ไม่มีลมแล้วก็ให้อยู่กับการไม่มีลมไปแล้วก็ให้คอยสังเกตว่าใจเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเปล่าหรือไปทําอะไรหรือเปล่า ถ้าทำก็มันก็จะทำให้เราจิตไม่รวมลงไปเช่นไปบังคับไปหยุดหายใจนี่เป็นการทำงานของใจแล้วสังขารปรุงแต่งสั่งให้ใจไปสั่งร่างกายให้หยุดหายใจอย่างนี้ก็จะเป็นการทำงานของใจใจไม่สักแต่ว่ารู้แล้วใจเริ่มคิดปรุงแต่งเริ่มบังคับให้ร่างกายหยุดหายใจพอทำอย่างนี้แล้วใจก็จะหยาบกลับคืนขึ้นมา เมื่อมีความปรุงแต่งเพิ่มมากขึ้นใจก็จะอยากขึ้นความสงบก็จะน้อยลงไปแล้วก็จะไม่สามารถรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่วิธีที่ถูกต้องง่ายเพียงแต่ดูไปเหมือนตอนที่เราเริ่มดูตั้งแต่เบื้องต้นดูลมไปลมจะหยาบ ก, ก็รู้ว่าหยาบลมจะละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาว ลมหายไปก็ให้รู้เท่านั้นเองเราต้องการสร้างตัวรู้ขึ้นมาแล้วก็พอเราไม่มีลมก็อยู่กับความว่างไปอยู่กับความไม่มีลมแล้วก็ดูซิว่ามีความคิดปรุงแต่งมาหลอกมาล่าให้เราออกจากความสงบหรือเปล่าเช่นคิดอยากจะทดลองหยุดหายใจดูนี่ก็เป็นความคิดลวถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วมันก็จะมาขัดขวางการเข้าสู่ความสงบของใจ ถ้ารู้เฉยๆ เ, เหมือนกับตอนที่เราเริ่มต้นรู้ลมมาเรื่อยๆไม่มีลมแล้วก็รู้ว่าไม่มีลมแล้วก็รู้อยู่กับความว่างไปเดี๋ยวมันก็จะลงไปเองแต่อย่าไปคาดการคาดว่าเมื่อไหร่จะลงสักทีก็เป็นความคิดอีกแะ้ต้องไม่รู้ไม่ชี้ต้องต้องรู้เฉยๆลมจะลงจิตจะรวมไม่รั้วมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไปสั่งมันไม่ได้ถ้าไปสั่งแล้วมันจะไม่ลง ถ้าเราไม่ไปสั่งมันเดี๋ยวมันลงเองเอาเข้าใจนะกลับมาทางนี้อันนี้ก็หมออีกคนหนึ่งเขากระถามค่ะอาจารย์แค่จากการที่เราปฏิบัติภาวนาเริ่มภาวนาเนี้ยกว่าเราจะภาวนาใช้สติแล้วสมาธิจนสา ม, มารถได้เห็นอริยสัจสี่ ตัวต้นก็คือทุกข์กับสมุทัยที่ในใจเราจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่ของง่ายเวลาเห็นปุ๊บเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเห็นจะจะแต่เราก็ไม่สามารถ อ, อจัดการกับกิเลสตัณหาที่เราเห็นอยู่ณขณะนั้นได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ปัจจุบันเนี่ยบางคอกว่ามันมีคนเขาภาวนาพวเพราะเาเริ่มภาวนาปุ๊บเนี่ยเขาได้เห็นอะไรทำบางอย่างเขาก็ มีการตึกตักว่าได้เป็นอริยธรรมขั้นต่างๆเขาก็กะหวังว่าทรทมเนี่ยจะปรากฏอีกครั้งหนึง่งตอนที่จิตสุดท้ายทีนี้เนี่ยเขาว่าจิตสุดท้ายเนี่ยทำเนี่ยมันจะมาปรากฏอีกครั้งหนึง่งก็คือช่วงระหว่างเขาก็เลยไม่ได้มีการรักษาสำหรับตัวหนูคิดว่าเป็นอุบายของกิเลสทำให้เราไม่รักษาธรรมที่เราได้ไว้ แล้วรอจิตสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้เนี่ยจากเรื่องที่เล่าเนี่ยก็มีคําถามอยู่สองคำถามอันนี้หนึ่งก็คือทิฏฐิที่หนูคิดว่ามันเป็นกิเลสมันหลอกเพื่อไม่ให้รักษาทำทำนี้ให้ต่อนเนื่องเนี่ยเป็นความเห็นที่ถูกหรือเปล่าอันที่สองถ้าเกิดในยามที่เราปฏิบัติจริงๆเนี่ย บางครั้งเราคาดไม่ได้หรอกมันอยู่ดีๆทํำมันก็ปรากฏขึ้นมาเองแล้วมันก็ดับไปเองทีนี้เราจะทําอย่างไรที่จะรักษาทำที่ปรากฏเอาไว้แล้วให้คงอยู่โดยที่เราไม่ต้องไปรอว่าจิตสุดท้ายเผื่อมันจะโผล่กลับมาอีกเพียงก็คือต้องอธิบายเรื่องจิตสุดท้ายก่อนว่าจิตสุดท้ายก็คือจิตปัจจุบันนี่เอง เพราะเวลาเราตายเราไม่ได้ตายพรุ่งนี้เราตายวันนี้เวลาคนตายก็ตายวันนี้ตายปัจจุบันไม่ได้ตายเมื่อวานนี้ไม่ได้ตายพรุ่งนี้ตายวันนี้เพราะฉะนั้นปัจจุบันจิตเป็นอย่างไงจิตสุดท้ายก็จะเป็นอย่างนั้นนี่คือต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องถ้าจิตตอนนี้มีธรรมะมันก็มีธรรมะถ้ามันไม่มีธรรมะมันก็ไม่มีธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะ ให้จิตสุดท้ายเรามีธรรมะเราก็ต้องสร้างธรรมะขึ้นมาในปัจจุบันแล้วก็ให้ธรรมะนี้มีอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาวิธีที่จะสร้างธรรมะให้อยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาก็คือการเจริญสติตลอดเวลาแล้วก็การนั่งสมาธิสลับกับการเจริญปัญญาตลอดเวลานี่เองถึงจะได้ธรรมะตลอดเวลาถ้าไม่ได้ธรรมะเหตุก็ได้ธรรมะผล คือถ้าได้ถ้ายังไม่ได้ผลก็อย่างน้อยก็จะได้ธรรมะเหตุพอเวลาเกิด เ, เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะสามารถใช้ธรรมะเหตุนี้มาดับความทุกข์ได้หรือถ้าเราได้ผลแล้วมันก็จะเป็นผลอยู่อย่างนั้นไปตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตสุดท้ายนี่มันไม่มีหรอกมันมีก็มีในมันไม่ได้มีในวันพรุ่งนี้หรือในอนาคตอันนี้เป็นความ ความเข้าใจผิดความจริง อ, อดีตไม่มีอนาคตไม่มีทุกอย่างออกมาจากปัจจุบันตอนนี้เรานั่งคุยกันนี่เป็นปัจจุบันแล้วเราก็ไปส่งจิตไปคิดถึงเมื่อกี้นี้เมื่อวานนี้เราก็เรียกว่าเป็นอดีตเป็นอนาคตแล้วเราก็คิดถึงเดี๋ยวเราจะไปทำธุรกิจที่นั่นที่นี่เราก็คิดว่ามันเป็นอนาคตแต่มันไม่มีตอนนี้มีอนาคตที่ไหนเรายังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นใช่ไหม อดีตเราก็ผ่านมาแล้วเราไม่ได้กลับไปทังจุดนั้นได้อีกแล้วดัอองนั้นจิตของเรานี้ถ้ามีสติมีความนิ่งแล้วมันจะรู้ว่ามันมีแค่ปัจจุบันเท่านั้นเองอดีตกาอนาคตนี่ออกมาจากสัญญาหรือสังขารความคิดปรุงแต่งดังนั้นขอให้เราทําปัจจุบันให้ดีเถอะแล้วจิตสุดท้ายของเราก็จะเป็นเป็นขณะ ท, ที่เราเป็นอยู่ในขณะ น, นี้แต่ขณะนี้มันเปลี่ยนได้ปัจจุบันมันเคลื่อนไปเรื่อยๆ เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เป็นปัจจุบันอีกอีกปัจจุบันหนึ่งละเดียวอีกชั่วโมงหนึ่งมันก็เป็นอีกปัจจุบันหนึ่งละมันเป็นปัจจุบันที่เคลื่อนไปตามเวลาพูดงา่ายๆเคลื่อนไปเรื่อยๆดังนั้นขอให้เรารักษาปัจจุบันมาให้ดีเนี่ยหลักการภาวนาท่านถึงบอกว่าจิตต้องเป็นปัจจุบันถึงจะเป็นธรรมถึงจะได้ธรรมขึ้นมาการที่จิตจะเป็นปัจจุบันก็ต้องมีสติต้องคอยควบคุมความคิด คอยควบคุมสัญญาอารมณ์ไม่ให้จิตย้อนไปอดีตไม่ให้จิตไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันเท่านั้นให้สักแต่ว่ารู้นี่คือขั้นตอนของการรักษาจิตให้จิตตั้งอยู่ในปัจจุบันแล้วจิตตั้งอยู่ในปัจจุบันจิตก็จะสงบจิตก็จะมีพลังที่จะสามารถสักแต่ว่ารู้กับสิ่งเหตุการณ์ต่างๆที่ จิตต้องสัมผัสรับรู้ได้อย่างไม่หวั่นไหวอะไรจะเกิดอะไรจะดับถ้าจิตตั้งอยู่ในปัจจุบันแล้วจิตจะไม่หวั่นไหวปัจจุบันก็คืออุเบกขานี่เองถ้าจิตอยู่ในปัจจุบันจิตก็จะเป็นอุเบกขาเราจะสักแต่ว่ารู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้แล้วก็ปล่อยวางไม่ไปมีความอยากให้เป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ ดังนั้นขอให้เราหมั่นเจริญสติสลับกับการนั่งสมาธิกับการเจริญปัญญาไปแล้วจิตก็จะตั้งอยู่ในปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องทุกวันนี้เรายังไม่อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องอยู่ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็คิดถึงอดีตแล้วเดี๋ยวก็คิดถึงอนาคตแล้วเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้แล้วไม่เคยอยู่ในปัจจุบันเลย การปรินถามใช่ไหมต้องอยู่ปัจจุบันนานเท่าไหร่เจ้าค่ะถึงจะได้ผลสาวน <c oughs> ต้องอยู่ไปเรื่อยๆยิ่งยิ่งอยู่ได้นานเท่าไหร่ผลก็จะเกิดขึ้นมากมาๆจนกระทั่งมันเป็นเป็นธรรมชาติของจิตไปจิตก็ไม่ควรจะปรุงคิดไม่ปรุงนะ <c oughs> พระพระที่ท่านไม่ไม่มีกิเลสท่านไม่ปรุงท่านจะคิดต่อเมื่อมีเหตุให้ท่านคิดเท่านั้นเองถ้าไม่มีเหตุแล้วท่านก็ไม่คิดให้เสียเวลา พราะเรื่องต่างๆที่คิดนี้ก็เป็นเรื่องไร้สาระทั้งนั้นแม้จะเป็นเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านมันก็เป็นเรื่องไร้สาระสําหรับจิตใจเพราะเงินทองร้อยล้านพันล้านไม่สามารถเป็นที่พึ่งของใจได้แต่ความหลงทําให้เราไปคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องคิดกันแต่ความจริงเรื่องที่สําคัญก็คือการไม่คิดนี้แหละ ว่างเลยสุญญยังปรมังสุญญ์ยังปราศจากความคิดปรุงแต่งสักแต่ว่ารู้ตลอดเวลานม่ไม่ใช่ความคิดมันเป็นธรรมชาติที่มันเกิดมันก็เป็นธรรมชาติที่เกิดได้ดับมันไม่มีคุณค่าไม่มีค่าบวกหรือค่าลบเพียงแต่เราไปหลงคิดว่าคิดไปในทางหนึ่งทาให้เกิดคุณค่าบวกขึ้นมาคิดไปในทางหนึ่งทาให้เกิดคุณค่าลบขึ้นมา ว่ามา า, าไมโครโฟนยมขอโอกาสถามสองข้อเรื่องศีลกับเรื่องกันองลข้อเ่ยทีละข้อเนี่ยค<า>่เะเรื่องของศีลที่พระอาจารย์บอกให้โยมถือศีลแปดไปเลยค่ะตอยก่อนเข้าพรรษาโยมก็ตั้งใจทำมาแต่ว่ามันมันมันหย่อนหย่อน <laughs> เวลาบางทีถ้าถ้าทำธุระวิ่งไปวิ่งมาก็ไม่สามารถทานอาหารได้ ก่อนเที่ยงก่อนสิบเอ็ดโมงครึ่งอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็บางทีอาตุขันมันไม่ดีขึ้นมาก็อาจจะทานน้ำข้าว อ, อ, อะไรน้ำข้าวยาคูที่เขาขายเรื่องกองๆซึ่งบางครั้งโยมก็ทราบมาว่าพระท่านก็ไม่ฉันนะคะทีนี้ถ้าจะให้ศีลดีขึ้นนี่โยมควรจะ จะเร่งยังไงคะแก้ไขยังไงบ้างไม่ต้องกังวลกับเรื่องของร่างกายมากจนเกินไปให้มองคนที่เขารักษาศีลด้ว่าเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรกับร่างกายของเขาหรือเช่นพระนี่ท่านกระฉันมือเดียวท่านก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายแต่อย่างใดหลงปูหลงตาท่านอยู่อายุยาวนานถึงร้อยปีก็เพราะฉันมือเดียวนี่ถ้าเราอยากจะมีอายุยืนก็ฉันมือเดียวไปเลย ที่มันฉันไม่ได้เพราะกิเลส ต, ตันหาความอยากกินทั้งนั้นแหละ ม, มันก็เลยสร้างเหตุสร้างความหาอ้างหาเหตุผลต่างๆมามาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะได้ให้เรากินมากๆก็มีบ้างค่ะทีนี้เวลาที่แสบท้องขึ้นมาไม่เป็นไรปอน้แฐาไปเดี๋ยวเดียวมันก็หายมันเป็นเล่ห์กลของกิเลสค่ะไม่ตายหรอก นันถ้าตายคนที่เขากินมื้อเดียวเขาก็ต้องตายไปนานแล้วทำไมเ็าอยู่มีอายุยืนยาวนานกว่านั้นเราเราไม่ใช่เหตุไม่ใช้ผลเนี mm ่ย hmm. หลักฐานมีชัดเจนอยู่กับไม่มองกันกลับไปมองความคิดของเราต่างความรู้สึกของเราเพราะเจ็บท้องขึ้นมาหน่อยตายแล้วนี่เดี๋ยวตายนะแน่ยเรเป็นโรคกระเพาะ mm hmm. เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้ว ถ้ามันเป็นก่อนเลยเยมเคยเป็นโรคกระเพาะค่ะสมัยในหงสือมันไม่ได้การกินมื้อเดียวมันไม่เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดโรคกระเพาะขึ้นมาเพราะนี้เรากินมื้อเดียวมาตั้งแต่เราบวชมาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นมีเป็นโรคกระเพาะตามมาได้ค่ะเราเมื้อเดียราเมื้อเดียวไปเลยถ้ามันมีปัญหาเรื่องเวลาก็เอาตอนเช้าเนี่ยก่อนออกจากบ้านก็กินมันให้อิ่มไปเลยแล้วถ้าหิวก็ดื่มน้ําเข้าไปดื่มน้ําเข้าไป ได้คะ่ะคิดว่าทำได้่ะได้ถ้าจะทำจริงๆ <c oughs> ทำไมทำไม่ได้มีข้อที่สองนะค ะ, ะ, ะที่อยอมยอมฟังท่านอาจารย์หรือว่าอ่านอ่านหนังสือของหลวงตาก็ดีหรือว่าดูช่อง SBT แล้วหลวงตาพูดเรื่องคาบริกรเนียคะพุโทโธพุโทโธพุโทโธเวลาที่จิตมันคิดก็พุโทโธเข้ามาเข้ามา ป้องกันไม่ให้มันคิดจะเลยเปิดเปิงทีนี้โยมก็ไปฟังเทศของหลวงปู่บุญญฤทธิ์นะคะแล้วอีกมีคําถามที่เราเกี่ยวกับคาบริกรรมที่ท่านแนะนําแต่โยมไม่สามารถถามที่ถามหลวงปู่หลวงปู่ก็ไม่ตอบแล้วตอนนี้คือท่านบอกว่าภาวนาอ่าให้ให้ดูดูจิตที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกอันนี้แล้วท่านก็บอกว่าเมื่อเห็น เนี่ยเห็นความรับรู้อะไรมันเกิดขึ้นก็ตรงนั้นนวิญญาณสติภาวนาใบวิญญาณสติแล้วก็มีคําว่าจิตแต่สติแล้วก็พุทธสติค่ะโยมไม่คิดว่าโยมเข้าใจจิตแต่สติกับพุทธสติค่ะถ้าไม่เข้าใจก็น้องไปถามท่านเพราะเราไม่ได้เป็นคนพูดนะโยมทราบแล้วว่าท่านจะตอบแบบนี้แล้วพออาจารย์กูโกโยมก็จะก็แสดงว่าอาจจะ อาจจะไม่เป็นประโยชน์กับเราค่ะ ค, คือที่ที่เรียนถามเพราะว่าเอาพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างที่หลว ง, งตาท่านแนะนําก็เอาไม่อยู่บางครัง้งบา ง, างคราวเสียโยมะควาจริงมันไม่ได้อยู่ที่พุโทโธแล้วอยู่อะไรหรอมันอยู่ที่เราไม่เอามันนนเองถ้าเราเอามันทําไมจะไม่อยู่ถ้าให้เพชรนี่เอาไหมอยู่กลยแสงกาก็ไปเอาใช่ไหมถ้าเป็นของฟรีเนี่ยใช่ไหมเราไม่เอามันเองไม่ใช่อะไรหรอมถ้าเราเอามันทําไมจะเอาไม่อยู่ ลองเอามันจริงๆดูหน่อยว่าต้องเอามันขึ้นไหนถึงว่าซู้กับกิเลสกันด้วยความฟุ้งมันก็เลยอ้างว่าไม่ถูกกับเราบ้างต้องเอาอย่างนู้นเอาอย่างนี้เอาอย่างไหนมันก็แบบเดียวกันแหละแต่ถ้าเป็นเพชรนี่มันเอาทันทีเลยใช่ไหมถ้าวันนี้เขาประกาศว่าเนี่ยใครต้องการเพชรมาที่นี่บนเขานี้มารับได้เลยอยู่เส็งสงขาก็ขึ้นมาใช่ไหมเขาก็ขึ้นค่ะ ภรรยาฝากถามนะครับพอดีใกล้จะติดเทอมแล้วตอนนี้ลูกก็จะแปดเก้าขวบก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะบวชเนรปัจจะดูดร้อนได้แล้วแต่ก็ท่างใจดูว่าออผลเนี่ยมันจะดีไหมถ้าเราบังคับเขาคือว่าเขาาจจะอยากจะเตะฟุตบอลเงี้ยแต่เราเนี่ยอยากให้เข า, ามาทางนี้มาทางที่สนใจทํานะครับ mm hmm. ถ้าช่างน้ำหนักกันคือคือถามก็คือว่าจะบังคับเขาไหมหรือว่า รอให้เขาสนใจเองแล้วมาสมัครเองนะครับก็ตอนที่เขายังอยู่ภายใต้อํานาจของเราที่เราบังคับได้เราก็ควรจะบังคับเช่นถ้าเราไม่บังคับไปโร ง, งเรียนเขาก็คงจะไม่ได้ไปเรียนหนังสือใช่ไหม mm hmm. ก็แบบเดียวกันการปวดเรียนก็ก็เป็นการไปเรียนหนังสืออะไนเป็นเป็นการศึกษาทางจิตใจก็ต้องบังคับเหมือนกับการบังคับให้ไปเรียนอนุบาลอย่างนี้ mm hmm. ไม่เสียหายตรงไหนดีกว่าไม่บังคับ เพราะว่าพอเขาได้สัมผัสแล้วเขาอาจจะได้รับประโยชน์น้องเห็นเห็นคุณค่าเขาอาจจะอ่ชอบใจแล้วอาจอยากจะบวชต่อไปก็ได้ปัญหาก็คือเรากลัวเขาจะไม่ศึกซะมากกว่ามั้งคือคือผมเคยไปกับเขาไปสองคนก็ไปปฏิบัติธรรมเนี้ยครับ <c oughs> ถือศีลแปด ก, กันมันมีวันหนึ่งเขาร้องไห้ <c oughs> เขาไม่ไหวอยู่ข้าว <c oughs> อย่างเงี้ยครับผมก็ต้องลงจากเขา ไปไปที่เซิเวอร์อะเนี้ยเองเงี้ยมันบาปไหมครับอ๋อไม่บาปหรอกก็เี็กแต่ว่าไม่ได้บุญเท่านั้นเองอไม่ได้บุญที่เกิดจากการรักษาศีลถ้าเรายังรักษาศีลหน้าอยู่นี่ก็ยังไม่ถือว่าบาปเช่นไม่สามารถักกินข้าวต้องไปกินข้าวเย็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้บาปเพียงแต่ว่าเราสู้กิเลสของเราไม่ได้เราแพ้เท่านั้นเองเราไม่ชนะของขอเรียนถามมีขอ้ขอนึง<อ> อในพุทธกิจของพระพุทธเจ้านะครับอ่ที่ตรวจดูสัตว์โลกว่าจะบรรลุธรรมเนี่ยแสดงว่าท่านท่านมียานอย่างรู้ใช่ไหมครับครั้นี้จะไปไปประกอบกับข้อความที่ผมได้ยินมาคือว่าอย่างเช่นพระพุทธองค์เนี่ยต้องบำเพ็ญบา ร, รมีทเท่าระยะเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่อพระแล้วก็ออย่างพระพระอรหันต์เนี่ยต้องมีบำเพ็ญบา ร, รมีไหมครับว่าต้องกี่กับกี่การถึงจะ มาบรรลุธรรมก็ <is> ทุกคนก็ต้องมีการบําเพ็ญบุญบารมีมาบ้างมากน้อยต่างกันการที่จะบําเพ็ญบารมีเพื่อให้เป <t os> ็นพระพุทธเจ้านี้ต้องใช้บารมีมากแต่การที่จะบําเพ็ญบารมีเพื่อให้เป็นพระหานนี้มันไม่ต้องมีมากเท่ากับพระพุทธเจ้าเพราะว่าอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้า คือปัญญาบารมีพอเราได้พบกับพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องปัญญาบารามีนี้เราสบายเลยมีคนป้อนให้เราเราไม่ต้องไปหาเองไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าต้องไปหาเองพระพุทธเจ้าต้องค้นคว้าหาอริยสัจสี่เองแต่พวกเราไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ามาป้อนให้กับเราแล้วเังนันอยู่ที่ว่าบารมีอย่างอื่นเรามีพร้อมหรือเปล่าเช่นศีลบารมีเรามีหรือเปล่า ทานบารมีเรามีหรือเปล่าวิริยะบารมีเรามีหรือเปล่าถ้าเราไม่มีถึงแม้ว่ามีอริยสัจสีมาป้อนให้กับเราเราก็กินกินไม่เข้ากลินไม่เข้าเคี้ยวไม่ได้เหมือนกับไม่มีฟันคนที่มีบารมีก็เหมือนกับคนที่มีฟันพอพระพุทธเจ้าป้อนอริยะศาสี่ให้ก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวกลินเข้าไปได้อย่างสบายคนที่มีทานบารามีมีศีลบารามีมีวิริยะบารมี พอฟังเทศฟังธรรมของพระเจ้าก็ออกบวชได้เพราะทำทานมาอย่างไม่ไม่ยึดไม่ติดกับทรัพสมบัติเก้าของเงินทองรักษาศีลได้มีความเพียรที่จะเจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็พิจารณาปัญญาตามที่พระเจ้าทรงสอนได้ถ้ามีบารมีเหล่านี้บ้างก็จะไปได้เหมือนกับมีฟันก็ถึงจะกินอาหารได้ ถ้าไม่มีก็ต้องรอไปก่อนรอให้ฟันขึ้นก่อน <c oughs> ก็ต้องบำเพ็ญทานบารมีไปก่อนอย่างพวกเราตอนนี้ยังบวชไม่ได้ก็ต้องหมั่นสร้างทานบารมีให้มากขึ้นอย่ายึดติดอย่าเสียดายเงินทองอย่าโลภอยากได้เงินทองอย่าใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเราต้องตัดประตูหรือทางเดินของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาจะใช้เงินทองเป็นเป็นทางเดินสู่ความสุข ซึ่งเป็นความทุกข์สำหรับใจแล้วแทนที่จะเอาเงินไปซื้อความสุขเราก็เอาเงินไปทําทานเี่ยเรียกว่าเป็นการสร้างทานบารมีแล้วพอเราสร้างทานบารมีเราก็จะมีความเมตตาเราก็จะสร้างศีลบารมีขึ้นมาได้ส่วนวิริยะบารมีเราก็ต้องคอยดันอยู่เรื่อยๆคอยต่อสู้กับความเกยียดข้างทุกรูปแบบ เราต้องกำหนดตารางขึ้นมาถึงจะสู้มันได้ถ้าปล่อยให้ทำตามอารมณ์มันจะสู้มันไม่ได้เพราะอารมณ์มันอยากจะกินอยากจะนอนมากกว่าอยากจะปฏิบัติเราก็ต้องกำหนดตารางขึ้นมาเช่นทุกวันพระเราจะถือศีลแปดวันพระเราจะไม่หาความสุขทางร่างกายเราจะใช้เวลาทั้งหมดให้กับการปฏิบัติธรรมนี้ถ้าเราไม่สร้างตารางขึ้นมามันก็จะงองแงมันก็จะอ้างนูน่นอ้างนี่ไปเรื่อยๆ มันก็จะไม่มีวิริยะบารามีเกิดขึ้นมาดังนั้นตอนนี้เรามีเรามีบารามีของพระพุทธเจ้าแล้วแต่บารามีของเราเราก็ต้องมีด้วยเราต้องสร้างทานบารามีสร้างศีลบารามีสร้างวิริยะบารามีขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติต่างที่พระเจ้าทรงสั่งสอนได้พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็มีแค่นี้แหละมีทานบารามีมีศีลบ า, ามีมีวิริยะบารามีกัน ท่านสละสมบัติสละเข้าของเงินทองออกบวชรักษาศีลปฏิบัติทำได้แล้วก็บรรลุได้เพราะว่าปัญญาบาลมีนี้มีอยู่แล้วถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนาต่อให้บำเพ็ญบาลมีขนาดไหนก็ตามก็จะไม่มีวันที่จะบรรลุได้ภายในชาตินี้นอกจากเป็นพระโพธิสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าเท่า น, นั้นเองค่าคุณหมอ อ่าหลวงพ่ครับการปฏิบัติอทานศีลภาวนาถ้าเกิดสมมติยังไม่ถึงใ e. นระดับของอริยบุคคลเนี่ยพอตายไปแล้วเนี่ยเราก็เกิดมาใหม่ถ้ามีโอกาสที่ได้เป็นมนุษย์แล้วก็มันจะสะสมต่อได้ไหมครับหลวงพ่อหรือว่าต้องก็เลิกมันใหม่ก็อยู่ว่าเราสะสมเข้าไปลึกมากน้อยถ้ามันลึกมากมันก็มันก็มีโอกาสที่จะติดอยู่ในนิสัยเรามากถ้ามันน้อยมันก็จางหายได้หายได้ นันอยู่ที่ความเหมือนกับเราปักหลักเสาเนี่ยปักเสาเข้าไปในดิดนี่ถ้ามันไม่ลึกเดี๋ยวมันก็ล้มได้ถ้าเราปักลงไปลึกมันก็แน่นมันก็ล้มยากงั้นถ้าเราทํามากมันก็จะติดเป็นนิสัยไปมากทําน้อยก็จะติดเป็นนิสัยไปน้อยอ่บคุณต่อ วันนี้คงได้ไม่หมดครับอาจารย์เดี๋ยวไว้ยกไปอาทิตย์หน้าต่อนะครับครับคำถามจากทาง Facebook พระจางสุชาติอภิชาโตและทางธรรมะบนเขากลุ่มธรรมะบนเขานะครับคำถามข้อแรกจากาคุณเอตลาดบ้านอำเภอนะครับข้อที่หนึ่งการที่คนเรามั่นใจว่าเป็นคนดีรักครอบครัวไม่คดโกงเบียดเบียนใครก็เพียงพอแล้วและไม่จำเป็นต้อง ทำบุญให้ทานใช่ไหมมันก็ถ้าไม่ทำบุญให้ทานมันก็จะไม่มีทรัพย์ภัยเกิดตัวไปไปเกิดพบไหนาชาติไหนก็เป็นคนดีแต่ยากจนข้อที่สอง การที่เป็นคนไม่ชอบทําบุญพอประสบปัญหาชีวิตจะทําอะไรจะช่วยเหลืออะไรก็ติดขัดลําบากไปหมดแต่เมื่อเทียบกับคนที่ชอบทําบุญอยู่เป็นประจำํำพอเกิดปัญหาขึ้นมาในชีวิตใครจะมาช่วยเหลือหรือหรือประสานงานอะไรให้ก็ดูง่ายและราบรื่นสะดวกทุกอย่างเกี่ยวกันไหมก็อย่างที่ตอบได้ถ้าเราทําบุญไว้บุญก็จะมาสนับสนุนเรา ทำให้เราอยู่แบบสุขอย่างสบายเดือดร้อนก็มีสิ่งต่างๆมามารองรับมาดูแลเราถ้าเราไม่ทำบุญเราก็ไม่มีอะไรมารองรับก็แบบอยู่แบบยากจนแต่เป็นคนดีแต่ถ้าเป็นคนดีด้วยแล้วทำบุญให้ทานด้วยก็จะเป็นคนดีที่ร่ำรวยที่มีทรัพย์สมบัติมีข้าวของเงินทองหรือ ว, ว่าเวลาตกอับ ก็มีผู้ที่ยื่นมือมาช่วยเหลือเราคำถามข้อต่อไปจากคุณพุทธดินนะครับผมภาวนาพุทธโธเหมือนที่หลวงพ่อพุทธกล่าวคือย่ำพุทธโธพุทธโธพุทธโธแต่พอภาวนาไปมาพุทธโธก็จัดลมหายใจเข้าออกด้วยสรุปคือเหมือนพุทธโธซ้อนกันไม่ทราบว่าจะดาเนินผิดทางหรืออย่างไร ถ้ามันสงบก็ไม่ผิดทางถ้ามันไม่คิดปรุงแต่งได้มันก็ไม่ผิดทางที่ทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อระงับความคิดปรุงแต่งเพื่อให้จิตสงบเท่านั้นเองดงั้นอุบายของแต่ละคนก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันจึงไม่สามารถที่จะไปบอกว่าผิดหรือถูกได้ก็ขอให้ดูที่ผลว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลถ้ามันได้ผลก็ถูกถ้ายังไม่ได้ผลก็ยังไม่ถูก้วย เอายัางทําไม่พอก็ได้ถูกแต่ยังทาไม่พอก็อยังไม่ได้ผลคำถามข้อต่อไปจากคุณชนทิชานะครับลูกอยากทราบว่ามีพี่คนหนึ่งเขามีความตั้งใจคือมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพี่เขาจะรักษาศีลทานและภาวนาอย่างครบถ้วนพี่เขาตั้งใจให้ได้มรรคผลนิพพานข้างต้นพี่เขาปฏิบัติ ด, ดีมาตลอด แต่กับบุปการีไม่ค่อยจะดีเท่าไหรค่ค่ะลูกอยากทราบว่าอย่างนี้พี่เขาจะได้มรรคผลนิพพานอย่างที่ตั้งใจหรือเปล่าถ้าเขาจะริญเหตุของมรรคผลนิพพานได้ก็ผลก็จะต้องเกิดขึ้นเหมือนเด็กนักเรียนถ้าตั้งใจไปเรียนหนังสือมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ตัวเด็กเองถ้าเด็กตั้งใจไปโรงเรียนเรียนหนังสือสอบได้มันก็ผ่านชั้นต่างๆได้จบปริญญาได้ มันอยู่ที่ผู้ตัวเด็กเองอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองว่าจะปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่เท่านั้นเองส่วนคนอื่นเขาจะดีหรือชั่วสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนนี้มันมันไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญถ้าเราไม่มีใครสนับสนุนแต่เราก็ยังเรียนได้ยังปฏิบัติได้ผลมันก็ต้องเกิดขึ้น ไม่ใช่ครับอาจารย์คําถามคือเขาไม่ค่อยดีกับพ่อแม่ครับอาจารย์ไม่ค่อยกระตันยูอย่างเนี้ยครับก็ต้องแก้ไขสิเพราะว่าความกระตันยูมันเป็นพื้นฐานของการเจริญความดีต่างๆถ้าเราไม่มีความกตันยูเราจะไปทําทานให้กับคนอื่นได้อย่างไรไหนนเมื่อเรายังไม่สามารถตอบแทนบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณกับเราเราจะไปทําอะไรให้กับคนอื่นที่ก็ไม่มีบุญคุณกับเราได้อย่างไร เราต้องมีความกตัญญูกตวเวทีก่อนเราต้องรู้จักคุณของผู้มีพระคุณและตอบแทนพระคุณของท่านตามโอกาสตามวาระที่สมควรที่จะที่ควรจะทาคำถามที่เหลือจะยกไปอาทิตย์หน้านะครับอีกหลายคำถามมีข้อความกลับมาจากาน้องที่ถามเรื่องการเลิกเรียนปริญญาโทนะครับเขาบอกว่าเหมือนระเบิดลงที่ฮิโรชิมาเลยครับตอนนี้ แล้วเขถามว่ามีทางเลือกอื่นด้วยหรือก้มหน้าก้มตาเรียนต่อไปผมก็เลยบอกว่าไม่มีครับทางเลือกเขาถามเมื่อวานนี้ว่าเขาอยากจะเลิกเรียนปริญญาโทเพื่อมาปฏิบัติทำเต็มรูปแบบแล้วก็บอกว่าไม่ควรทําอย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําอะไรแล้วจะไม่สําเร็จสักอย่างพอเรามาปฏิบัติพอมาเจออุปสรรคเกิดความท้อแท้ก็จะเลิกปฏิบัติดี ดังนนถ้าเราตั้งใจจะทําอะไรแล้วถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยเหตุที่รุนแรงเราก็ควรจะเรียนให้มันจบไปเพื่อเราจะได้ทําำลายให้เป็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเป็นรูปเป็นผลขึ้นมาเป็นมากเป็นผลขึ้นมาถ้าเราทําแบบจับจดทําตามอารมณ์อารมณ์นี้อยากจะบวชก็บวชพอเดี๋ยวอยากจะเสกก็เสกอีกนั้นเราต้องมีความหนักแน่นกับสิ่งที่เรากทำทํา มีใครอยากจะถามอีกไหมมาอีกข้อนึ่งเอาข้อสุดท้ายนะอันนี้คือ <Thank you. S 1> ปกติหลังจากตื่นนอนนะคะก็ก็จะทำภาวนาก่อนแล้วก็คอเสร็จแล้วก็ค่อยออกไปสวดมนต์อย่างนี้ถือว่าผิดขั้นตอนสลับกันไหมคะไม่ต้องสวดเลยก็ได้ถ้าภาวนาได้ก็ไม่ต้องสวด mm hmm. เพราะการสวดก็เป็นการทำภาวนานี่เอง mm hmm. เป็นนเป็นขั้นยาม ขั้นขั้ภาวนานี่เป็นขั้นขั้นละเอียดแล้วถ้าเราเข้าขั้นละเอียดได้เราไม่ต้องสวดก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะสวดเพราะความรักความชอบเหมือนกับชอบร้องเพลงก็ไม่ห้ามแต่ผลมันจะสู้สู้การภาวนาไม่ได้การนั่งดูลมนั่งสมาธินี้มันละเอียดกว่าผลจะดีกว่าผลที่ได้จากการสวดมนต์ขออีกข้อหนึ่งได้ไหมคะปกติค่ะจะถวายจะถวายดอกไม้กับ กับน้ำมันนะคะอ่าทีนี้เวลาเราเราถวายน้ําอะคะ่ะน้ําที่เราไปตั้งไวะะ้เนี่ยค่ะก็คือจะมีมดจะมีมดมาขึ้นที่น้ําทีนี้บางทีอะคะ่ะมดมดมันก็จะตายไปแต่เราก็คือเราไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะจ ะ, จะทําเร า, าง น, นเป็นการนะผิดศีลไหมคะเราก็เราไม่ผิดศีลแต่เราไม่ไ ม, ไม่เราไม่รอบคอบเราทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตได้จากการกระทำของอเราเราก็หาอะไรมาครอบสิ อะไรกันไม่ให้มดมันขึ้นความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้กินน้ํานั่นหรอกไม่ต้องถวายก็ได้ใช่ไหมคะพระพุทยเจ้าให้ปฏิบัติบูชากาอามิสบูชานี่มันไม่สําคัญอะไรอย่างนั้นเราควรจะเลิกถวายน้ํำดีกว่านะคะความเชื่อเรื่องถวายข้าวพระพุทธเป็นเรื่องที่ยากครับอาจารที่จะเปลี่ยนความเชื่นได้คือเข้าใจว่ามันเป็นอุบายของวิญาณวัจกรน่ะ ของของมัคคนายกเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็เป็นคนกินเองมัคขนายกก็อยากจะกินอาหารเหมือนกับภากินไงแต่ญาติโยมจะไม่ถวายให้มักขณ า, ายกนะมัคขนายกหรออันนี้นต้องถวายข้าวให้กับพระพุทธน่อยพอถึงเวลามัคขนายกก็ลกยกไปยกไปกินพระพุทธเจ้าไม่ได้กินพระพุทธรูปเลยไม่เป็นไรหรรลักการเล็กๆน้อยๆไม่ได้สําคัญอะไรนะ ขอให้สำคัญว่าการปฏิบัติบูบชานี่แหละเป็นการบูชาที่แท้จริงเอาแล้วนะก็ขอยุติไว้เพียงทะนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ